b <Book> <57. S 3> <m'> o ห้าสิบเจ็ด o v หพบหมอโฮสเลจนดิฉันมีนัดกับคุณหมอิดฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกา Jeg har tid คุณชื่ออะไรคะว่าด้วยดิทนาบกรุณานั่งรอในห้องทํ i v ี n t ั่งใ e l s e t คุณหมอกําลังเดินทางมาเลน kommer snart คุณมีประกันกับบริษัทไหน ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมคันยากร์ฟได้คุณมีอาการปวดไหมคะ่าดูสเมอร์เจ็บตรงไหนคะบวเกดอุ er, ่ดิฉันปวดหลังเป็นประจำฉันปวดหลังเป็นประจำดิฉันปวดหัวบ่อย Jeg har t i t hovedpine. d e t c h a n t ปว t t ้ n g b ป n b a างครั้ง Jeg har nogle gange mavepine. Tørr skærmere. Tag tøjet af over kroppen. Når på en seng test. Vær sød at lægge dig på b r i k s e n Kramdårlighed normalt. Are ดิฉันจะฉีดยาให้คุณ Jag dig in, in ฉันจะให้ยาคุณ Jag dig ฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยาฉันจะ e p ้ยาคุณ